ทำไมวันนี้ถึงต้องลำบากลงมาอาบที่ลาธารนี่ด้วยมันร้อนเหลือเกินฉันอยากจะลงมาแช่เย็นๆในลาธาร น, นี่อาบในห้องน้ําชั่วคราวที่ทําไว้ในเต็นท์มันไม่เห็นจะสบายสักหน่อยดาลินตอบอ้อมแอ้มไม่ยอมสบตาท่ายโซอวดดีหายไปเกือบหมดมันอันตรายครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณหญิงอยากจะมาอาบน้ําที่นี่ก็ควรจะต้องมีเปิืนขนาดอย่างต่ําที่สุด 37ดหคุมมาด้วยหนึ่งกระบอกไม่ควรจะแอบออกมาคนเดียวอย่างนี้ชวนแงซายมาก็ยังดีผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะตามมาด้วยแต่คุณหญิงก็ไล่เขากลับหล่อนหน้าแดงซ่านขึ้นมาอีกยิ้มเจืริญคุณคิดว่าฉันลงไปอาบน้ําในลาธาร น, นี่โดยไม่มีผ้าผ่อนแม้แต่สักชิ้นแล้วก็ควรจะชวนใครให้มานั่งดูอยู่ด้วยงั้นหรือในพรานผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น ผมหมายถึงแต่เพียงว่าการกล้าออกจากแคมป์ของคุณหญิงควรจะมีคนถือไรเฟิลคุมมาด้วยทุกครั้งไปไม่ใช่มาเดียวและคนที่จะทำหน้าที่นี้ได้ก็เลือกเอาได้คนใดคนหนึ่งระหว่างพลานของผมสี่คนหรือแง่ทายเหตุ <c oughs> การณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้คงจะเป็นคำตอบที่ดีแล้วว่าทำไมผมถึงห้ามไว้นักหนาะเมื่อเช้านี้ก็เหมือนกันคุณหญิงกับโกรธหาเรื่องทะเลาะกับผมเสียอีกขณะนี้เราอยู่ใจกลางป่าลึก คืบก็ป่าสอกก็ป่าไว้ใหญ่อะไรไม่ได้ทั้งสิน้นอันตรายจากสัตว์ร้ายมันมีมาได้เสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวประมาทไม่ได้เลยอย่านึกว่าเพียงแต่เรามาตั้งแคมป์ขึ้นมันจะทําให้ป่าบริเวณที่เราตั้งแคมป์กลายเป็นเมืองขึ้นมาได้เอาละฉันเข้าใจแล้วและยอมรับ ว, ว่าฉันรู้เท่าไม่ถึงการคิดว่ามันใกล้ๆแคมป์ของเราแค่นี้เองคงไม่เป็นอะไรแล้วมันก็เป็นกลางวัน หม่อมราชวงหญิงดาลินพูดอ่อยๆฟืนยิ้มยกมือขึ้นรูปเส้นผมงามที่ถูกน้ำเปียกรูดชำเลืองมองดูหน้าเขาไม่สนิทนักผิวหน้าอย่างซี่ๆแดงๆสนับกันอยู่เช่นนั้นกล่าวอ้อมแอ้มต่อมาคุณอย่าไปบอกพี่ใหญ่หรือชา ย, ยันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตะกี้ผมไม่ใช่คนช่างฟ้องหรอกครับหล่อนเกือบจะค้อนมันไปไหนแล้วไอ้ตัวโตๆเมื่อตะกี้นี่น่ะ เปิดเข้าป่าไปแล้วทําไมคุณไม่ยิงฉันเห็นคุณยืนขวางหน้ามันระยะใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นใจฉันหายหมดผมไม่ต้องการจะยิงสัตว์ที่ผมไม่ได้เจตนาล่าโดยไม่จําเป็นหรอกเมื่อกีนนี้เป็นช้างแม่ลูกอ่อนด้วยถ้ายิงแม่มันก็ต้องยิงลูกด้วยเพราะปล่อยไว้ก็ทุเรชลูกมันต้องตายอย่างทรมานถ้าไม่มีแม่โชคของมันดีที่มันลังเลไม่กล้าข้ามลาธารมา ผมเองก็นึกภาวนาอย่าให้มันกล้ามากกว่านั้นเพราะไม่อยากฆ่ามันมันก็อ่านใจผมผมก็อ่านใจมันเลยยืนมองหน้ากันอยู่พักใหญ่ในที่สุดมันก็เลี่ยงไปเองซึ่งก็เป็นการดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายคุณใจเย็นหรือเกินนะฉันถ่ายอะไรไม่ถูกเลยในขณะนั้นสงสัยอยู่ว่าทำไมคุณถึงรีรอไม่ยิงมันยืนประจันหน้ากับมันเฉยฉันไม่เข้าใจวิธีการของคุณเลย แล้วก็ไม่เข้าใจจนเดี๋ยวนี้ว่าเรื่องอะไรมันถึงถอยไปยังกะคุณเป็นผู้วิเศษไร่คถาไล่มันไปอย่างนั้นแหละสัตว์มันก็มีจิตสํานึกหรือจิตสัมผัสของมันเหมือนคนนั่นแหละถ้าไม่เข้าตาจนหรือโกรธแค้นจริงๆแล้วการที่มันจะเข้าจู่โจ ม, มันก็ต้องช่างใจเหมือนกันเราจะต้องรู้จิตวิทยาของมันอย่างเมื่อกีนนี้ผมไม่ได้ทําอะไรมันก่อนแต่ก็ไม่ได้หนีหรือทําท่ากลัวมัน ยืนเตรียมพร้อมอยู่มันเห็นว่ายังไม่จำเป็นที่มันจะเสี่ยงมันก็เลือกเอาวิธีถอยหลีกทางไปเองโดยสันติวิธีก็กะอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันลุยลำธารลงมาอีกสักส4ี่ก้าผมก็ต้องยิงแต่นี่มันถอยก็ปล่อยมันไปมันเป็นเรื่องของกำลังใจและศิละปะของวิชาพรานโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับว่าผมเป็นผู้วิเศษมีคาถาอาคมอะไรหรอก ดารินถอนใจเฮือกออกมารอบจำเรืองมองดูจอมพรานดิสรประกายตานิยมเลื่อมสายอันซ่อนเร้นเดี๋ยวนี้หล่อนพอจะรู้จักกับความหมายของคำว่าพรานใหญ่อย่างระพินได้ดีพอเว้นไว้แต่ไม่ต้องการแสดงออกมาเท่านั้นแล้วคุณแน่ใจหรือว่าในระยะประชิดแค่นั้นถ้ามันจู่เข้ามาคุณจะร้มมันทันก่อนที่มันจะทาอันตรายคุณการยิงช้างที่ถูกหลักที่สุด ก็คือการยิงอย่างเผากขนและยิงเข้าจุดสำคัญยิงเข้าใกล้ได้เท่าไรความแม่นยำและความจักการของบาทแผลก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเว้นไว้แต่คนยิงจะไม่กล้าเข้าใกล้เองเท่านั้นมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าผิดที่แต่สำหรับผมชินเสิแล้วยิงใกล้เป็นได้ตัวทุกทีหากยิงไกลกบลาบากต้องตามกันเป็นวันบางทีก็ตามไม่พบ ในระยะที่ผมยืนประจันกับมันเมื่อตะกี้อย่าว่าแต่จุดสามเจดห้าเลยขนาดลูกกรดแมกน้าของคุณหญิงก็ยังไหวขออย่างเดียวให้เจาะเข้าเนินน้ำเต้าเนื้อโคนงวงขึ้นไปเล็กน้อยเท่านั้นตูมเดียวถ้ามันไม่สุดเราก็แบนมีหยุดสองอย่างเท่านั้นกล่าวจบเขาก็หัวเราะเฉยและพยักหน้าบอกต่อมาว่ารีบกลับขึ้นไปแคมป์ดีกว่าผมไปสำรวจที่และขัดห้างเตรียมไว้ให้แล้ว ประเดี๋ยวจะพาไปนั่งห้างดารินไม่พูดอะไรอีกมองเมินเมินไม่กล้าสบตาเขาแล้วออกเดินนำหน้าไต่าทางรา ช, ชันของด่านสัตว์บ่ายหน้าไปยังแคมป์จอมพรานเดินตามหลังทอดระยะห่างพอสมควรอันเนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งแคมป์อยู่สูงกว่าลำธารและอยู่เหนือลมเสียงร้องของช้างแม่ลูกอ่อนที่โผล่ออกมาจากฝั่งตรงข้ามเมื่อครูน่นี้จึงไม่ดังมาถึงพวกที่อยู่ในแคมป์ และไม่มีใครรู้ว่าเกือบจะเกิดเรื่องสยดสยองอะไรขึ้นเมื่ออึดใจที่แล้วเมื่อเห็นดาลินเดินอ้าวขึ้นมาและเห็นรับพินเดินตามมาเบื้องหลังทุกคนก็เข้าใจว่าเขาไปตามดาลินขึ้นมาจากลำธารโดยไม่ได้เกิดอะไรผิดปกติขึ้นอาหารเที่ยงมื้อ น, นั้นรับพินร่วมรับประทานพร้อมกับคณะของนายจ้างก่อนที่จะออกเดินทางไปนั่งห้างเชี่ยวาชายยันซักถามและสนทนากับเขาเป็นปกติ แตดาลินก้มหน้าก้มตากินเฉยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นไม่ยอมแม้แต่จะมองหน้ารพินจอมพรานรอบยิม้มเห็น่อนสงบเฉยผิดไปกว่าเคยก็หันไปถามคุณหญิงจะไปนั่งห้างด้วยหรือเปล่าครับหรือจะเฝ้าแคมป์ไปรอนตอบเบาๆสั้นๆโดยไม่มองหน้าเช่นเคยเป็นไงพบลอยวัวแดงบ้างไหมชายันถามยิ้มย่องอย่างกระตือ ร, รือร้น ก็รู้สึกว่าจะพอมีหวังครับแต่ผมไม่กล้ารับรองแน่นอนถ้าคุณชายยันนึกสนุกผมก็จะพาไปแต่ต้องเดินไกลหน่อยนะครับต้องอ้อมไปทางหลังเขาโลนเดินร่วมๆสองชั่วโมงว่ายังไงลองตามรอยวัวดูไหมชายยันหันมาปรึกษาเชษฐาอดีตในพันโททูตทหารบกสันสีสะแกอยากจะเดินยิงวัวกับคุณพินก็เอาเถอะสาหรับวันนี้จะขอนั่งห้างก่อน แล้วก็หันมาทางพรานใหญ่ว่าแต่เราจะนั่งห้างกันแบบไหนตลอดทั้งคืนหรือเปล่าไม่จาเป็นต้องถึงกลางคืนหรอกครับทรมาโดยไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราหวังเพียงสัตว์ที่ไม่เกินกว้างเท่านั้นขึ้นนั่งสักบ่ายๆพอตะวันตกดินก็กลับระยะทางมันก็ไม่ไกลอะไรนักแต่ละห้างที่ผมขัดไว้เดินสักไม่เกินชั่วโมงก็ถึงแล้วผมขัดไว้ทั้งหมดสามแห่งตั้งใจว่าจะให้คุณชาย คุณชายยานและคุณหญิงขึ้นนั่งคนละแห่งตามแต่จะเลือกโดยมีพรานของผมนั่งเป็นเพื่อนด้วยแห่งละคนแต่ถ้าคุณชายยานอยากจะตามรอยวัวอีกข้างหนึ่งก็ให้พรานของผมไปนั่งแทนเสียแล้วคุณชายยานก็ไปกับผมแล้ววิธีไปเราไปกันยังไงแยกกันไปคนละทางหรือเราเดินกันไปทั้งหมดพร้อมๆกันนี่หระครับเพราะทิศทางที่ผมขัดห้างไว มันเป็นทางเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ใกล้หรือไกลเท่านั้นพอถึงห้างก็ส่งขึ้นไปประจำจนครบผมกับคุณชายานจะต้องเดินไกลกันออกไปอีกส่วนขากลับก็ขอให้คุณชายกับคุณหญิงซึ่งนั่งห้างประจำกันอยู่คนละแห่งพร้อมกับพรานที่นั่งอยู่ด้วยรอผมก่อนผมจะกลับก็ในราวข้าและจะเดินแวะรับสมทบกันทั้งหมดกลับแคมป์พร้อมๆกันหรือถ้าผมช้าผิดปกตินัก ขี้เกียจจะรอจะให้พราพนนำกลับแคมป์ก่อนก็ได้เชษฐาตัดสินพอเสร็จเวลาอาหารทุกคนก็เตรียมตัวอย่างรวดเร็วชายยานผู้กระเฮียนกระหายจะแกะรอยวัวแดงคว้าอาจุดเจ็ดห้าเสแอนเอสแมแบบศูนย์เปิดของ FN เชษฐาถือจุดสามศูนนกริเคอร์กระบอกที่เตรียมไว้ก่อนแล้วส่วนดารินเลือกเอาจ2จ0ดสินเชสเตอร์ ประจำมือกระบอกเดิมของหล่อนจอมพรานเตือนให้คณะนายจ้างทั้งสาของเขานำไฟฉายและแจ็คเก็ตกันหนาวติดตัวเผื่อไปด้วยโดยให้เหตุผลว่าการเดินทางกลับอาจเป็นเวลากลางคืนนอกจากคณะนายจ้างสาคนแล้วคนที่รบปินจะเอาไปด้วยก็คือบุญคํากับจันทร์และลูกหาบแข็งแรงที่เลือกแล้วสองคนส่วนเกิดกับเสยได้รับคําสั่งให้ควบคุมเฝ้าแคมป์และจัดหูงหาอาหารเย็นเตรียมไว้ เมื่อทุกคนพร้อมที่จะออกเดินทางชายยันเหลือไปเห็นแง่ทรายหอบฟืนนํามากองไว้สําหรับเพื่อที่จะใช้สมหน้าเต้นในเวลากลางคืนเขาก็พยักหน้าเรียกยิ้มยิ้มแง่ทรายเดินตรงเข้ามาเราจะไปดูรอยวัวแกจะไปด้วยไหมแงทรายชายยันชวนอย่างอารมณ์ดีหนุ่มชาวโดงนักผจจรผู้มาสมัครเป็นคนใช้ของคณะเดินป่ายิ้มยิงฟันหันไปมองดูเชื่าอดีตในพันโท หัวหน้าคณะเดินป่าก็กล่าวชวนมาอีกคนหนึ่งแต่แงซ า, า ย, ยังรีรออึกอักชายตาชำเลืองไปทางระพินผู้มองดูอยู่เงียบเงียบเหมือนจะรอขออนุ ญ, ญาตอีกคนหนึ่งอาการนี้คณะนายจ้างทั้งสามไม่ได้เฉลียวคิดแต่จอมพรานย่อมจะรู้ทันและเข้าใจดีไปด้วยการแงซายระพินเอ่ยปากต่ำๆแงซ า, ายไม่ปิดปากพูดคำใดเดินไปที่ปืนคู่มือซึ่งวางอยู่หน้าเต็นท์ ช่วยติดมือแล้วก็ออกเดินตามหลังมาอย่างสงบรพินออกนำตัดทางเข้าไปในดงประมาณ20สนาทีก็ทะลุออกบริเวณป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้าคามาถึงห้างแห่งแรกที่ขัดไว้บนซุ้มไผ่คู่ชัยภูมิเหมาะเพราะ บ, บริเวณนั้นเต็มไปด้วยดอกมะข่าโมงและลูกมหาที่หล่นอยุ่เกลื่อนกาดเป็นอาหารโปรดของเก้งกวางมีรอยใหม่ๆย่าไว้เปะไปหมดเขากาหนดให้ดารินขึ้นประจาห้างนี้ โดยให้บุญคำนั่งเป็นเพื่อนด้วยหล่อนไม่ได้โต้เถียงหรือขัดแย้งอะไรเหมือนเคยจัดแจงปีนบันไดที่ทำไว้ขึ้นไปโดยดีบุญคำไต่าตามขึ้นไปทีหลังพี่ชายกำชับน้องสาวให้ปฏิบัติตามคำตักเตือนแนะนำของพรานผุกคุ้มกันและละพินก็สั่งอะไรบุญคำอยู่สองสามคำแล้วก็นำเชษถากับชายยันอ่อเดินต่อไปโดยวกข้าดงทึบอีกครั้งอาศัยเดินไปตามด่านสัตว์ซึ่งกราดเกลือนไปด้วยขี้ช้าง ทั้งเก่าและใหม่ชนิดหลีกแทบไม่พ้นแง่ทายคงเดินเป็นคนร้างท้ายตามเคยสำหรับเชษฐากับชัยยันเมื่อมาเดินอยู่ในดงเคียงคู่ระพินยอยู่เช่นนี้จึงสังเกตเห็นได้ ช, ชัดๆว่าจอมพรานเดินได้คล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็วอย่างประหลาดชนิดที่เร่งฝีเท้าแทบจะไม่ทันทุกฝีก้าวย่างของเขาได้ระดับสม่าเสมอและเบากริบอย่างน่าอัศจรรย์และยิ่งเดินก็ดูเหมือนจะยิ่งเร็วขึ้นทุกขณะ ผิดกับเชิฐาและชายันซึ่งเริ่มจะล้าลงเป็นลำดับเท้าย่างสุบสวกไปตาก็กลาดไปรอบด้านอาจหยุดชะงักเล็กน้อยเหมือนจะคเนทิตหรือสำรวจทางเพื่อตัดสินใจแล้วก็ออกเดินนำต่อไปไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขามีที่หมายหรือข้อสังเกตยอย่างไรในการเดินดูมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเชษดาสกิจให้ชยันดูแล้วยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจกระซิป เมื่อพบกันในเมืองเราไม่มีทางจะเห็นชัดได้เลยว่าเขาจะเป็นจอมพลานได้อย่างไรแต่เมื่อมาเดินกันอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้เราถึงจะรู้เขาเป็นยอดของพลานจริงๆฉันประหลาดใจในข้อที่ว่าเขาเอาอะไรมาเป็นที่สังเกตนะต้นไม้หรือด่านสัตว์มันก็เหมือนกันหมดทั้งนั้นไม่ว่าจะมองไปทางไหนเห็นละวพินดูอยู่สี่ทางเท่านั้นคือซ้ายขวาสูงต่ำแล้วก็พาเราจำอ้าว สำหรับเราต่อยพาเดินอย่างนี้สักสิบเที่ยวแล้วให้เดินมาเองก็หลงแง่แง่รพินเดินด้วยสัญชาตญาณความเคยชินและประสาทสัมผัสเขา อ, อาจมีวิธีสังเกตจดจําตามวิธีของเขาซึ่งถึงจะบอกเรายังไงเราก็ไม่มีทางจะเข้าใจพรานทุกคนก็อย่างนี้แหละไม่งั้นเขาจะมีอาชีพเป็นพรานอยู่ได้หรือฉันก็เคยเที่ยวกับพรานมือเยี่ยมเยี่ยมมาหลายคนแล้วเมื่อมาเปรียบกับพรานของเราคนนี้ไม่มีทางเทียบติดไม่น่าเชื่อนะ คนหนุ่มทันสมัยรสนิยมสูงมีการศึกษาเลิศผ่านโลคเจริญขีดสุดมาแล้วจะมาใช้ชีวิตอยู่เช่นนี้คนถูกกล่าวขวัญถึงไม่ได้ยินและไม่ได้สนใจกับอะไรทั้งสิน้นนอกจากจะทําหน้าที่เดินนํารุดหน้าไปอย่างเดียวเชิดถากับชายยานเร่งฝีเท้าเข้าไปเดินเคียงทั้งคู่พยายามจะเดินให้เคียงไปเช่นนี้แต่เดินเดินไปก็ตกไปอยู่ข้างหลังทุกที ระิีนหันมายิ้มให้เมื่อทั้งสองเบียดกระทบไหลเข้ามาในขณะที่เขาหยุดสังเกตลู่ทางอีกครั้งเรื่องแผนที่หรือเข็มทิศเห็นจะร้ายประโยชน์สำหรับคุณกำมังชยันชวนพูดพรานใหญ่ยิ้มกว้างๆตอบในขณะที่นำเดินต่อไปเมื่ออยู่ในแถบที่เคยชินทั้งสองอย่างก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับแต่ถ้าเลยหล่มช้างไปแล้วเราต้องพึ่งทั้งแผนที่และเข็มทิศอย่างเรียงไม่ได้เลย แผนที่ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ400ปีมาก่อนโดยมังมหานอราธาอันนั้นน่ะหรือเชษฐาถามเรียบๆก็ได้รับคำตอบสั้นๆเบาๆแต่หนักแน่นว่าครับแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีโอกาสได้พูดอะไรอีกเพราะพรพินเดินเร็วหรือเกินและในจ้างทั้งสองก็มัวพวงที่จะเล่นฝีเท้าให้อยู่ในระดับเดียวกันพอมาถึงไม้ต้นใหญ่ที่ล้มขวางทางอยู่ และเบื้องหน้าเป็นผงทึบด่านสัตว์ที่เดินมาดูเหมือนจะหมดทางสะดุดชะงักอยู่เพียงแค่นั้นจอมผานก็เลี้ยวซ้ายบุกพงขึ้นไปบนบริเวณเนินอันมีลักษณะเหมือนเชิงเขาทางเริ่มชันและเดินลาบากขึ้นต้องไปในลักษณะเรียงเดียวเขานำอยู่เบื้องหน้าถัดมาก็ชายยันเชิฐากับลูกหาบอีกสองคนและแง่ทรายซึ่งล้างท้ายตามเดิมทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในลักษณะการปีนป่ายตามทางลาดชันขึ้น มากกว่าจะเรียกว่าเดินอาศัยมือทั้งสองเกาะก้อนหินหรือยึดกิ่งไม้รากไม้เหนียวตัวขึ้นไปทันใดนั้นรบพินหยุดชะงักการเคลื่อนไหวปล่อยให้ชายานผู้กระชั้นชิดมาเบื้องหลังและคนอื่นๆที่เรียงกันลงไปตามลำดับกระทบชนกันเองชะงักไปหมดอะไรเชษฐาผู้เรียงอยู่เป็นคนที่สามร้องออกมาเบาๆกราดสายตาขึ้นไปพรานใหญ่ไม่ตอบแต่ชี้มือ ครั้นแล้วทั้งหมดก็มองเห็นเป้าหมายการชี้พร้อมกันในบัตรนั้นบนกิ่งไม้เอ็นเตี้ยๆเหนือจากระดับของรพินขึ้นไปไม่เกินห้าเมตรงูรามตัวขนาดหน้าแข้งเขืนเื่อนพันอยู่กับกิ่งไม้ต้นนั้นห้อยหัวลงมายาวหนึ่งช่วงแขนตาของมันเพ่งจับนิ่งมายังคนทั้งหมดพร้อมกับลิ้นที่แ ร, แร่แปรปรวนเป็นจังหวะทิศ ท, ทางที่มันพันกิ่งไม้อยู่สกัดกั้นเส้นทางเดินของรพิน ราวกับจะเป็นนายทวารดักทักทายอยู่ใครถือลูกซองอยู่บ้างชายยันร้องออกมาเบาๆรู้สึกว่าเขาจะจำได้ใส่ใจหรือเกินว่าปืนที่ปราบเจ้าสัตว์ไม่มีตีนนั้นไม่มีชนิดใดจะวิเศษไปกว่าลูกซองดังที่เคยเห็นผลมาแล้วแต่ละพินท้วงมาตำต่ำว่าอย่าครับประเดี๋ยวป่าแตกมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ไปเข้าไปชิดมัน แล้วเราจะผ่านไปได้ยังไงมันดักทางอยู่อย่างนั้นละพินเดี๋ยวซ้ายแหลกขวาเขาไม่มีทางที่จะเลี่ยงผ่านไปทางอื่นได้นอกจากจะผ่านทางนั้นเพราะสองฝ้าเป็นที่รกทึบเต็มไปด้วยเถาวันนัดเดียวเท่านั้นละพินรอมันด้วยไรเฟิลก็ได้ระยะขนาดนี้ต่อให้ลูกในตามันก็ไม่มีผิดเชี่ถากระซิบบอกมาอีกคนไม่เหมาะหรอกครับ ข้ามเ น, นลุกนี้ลงไปฟากโน้นก็จะถึงที่ที่ผมขัดห้างไว้ให้คุณชายแล้วเดินอย่างมากก็อีกไม่เกินสิบนาทีถ้าเสียงปืนมันดังขึ้นคุณชายจะขึ้นนั่งห้างเปล่าไม่มีโอกาสได้ยิงอะไรเลยเจ้านายถอยลงมาก่อนถดครับผมจะล่อมันด้วยดาบเองจันว่าชักดาบพื้นเมืองที่สะพายหลังอยู่ออกมาไต่ทางแทรกเชิดากับช ย, ยันขึ้นไปแต่ละพินเหนียวไหลไว ยาที่มันชันเราหยุดตามกว่ามันกว่าแกจะตายขึ้นไปได้ระยะฟันมันมันก็พุ่งลงมาเล่นงานแกก่อนแล้วพร้อมกับพูดจอมพรานเหลยวลงมาข้างล่างเห็นแง่าสายพักตัวอยู่ที่โขดหินก้อนหนึ่งมองดูอาการเขาอยู่เงียบๆก็ชักมีดโบวีซึ่งแขวนติดเอวอยู่ออกจากซองหนังโยนลงไปให้พยักหน้าบอกว่าแกรู้วิธีีจัดการกับมันไม่ใช่หรือแง่าย คำพูดและอาการของรพินที่โยนมีดสั้นของเขามาให้แง่ทรายไม่มีใครสามารถเข้าใจความหมายได้แต่ทุกคนเห็นอดีตนายทหารกองโจนกะเหลี่ยงก้มลงหยิบมีดโบวี่ของรพินขึ้นเดาะตะวัดกลับเปลี่ยนจา ก, การจับด้ามมาเป็นจับทางปลายมีดไว้หน่วงขึ้นลงเหมือนจะคเนาหาน้ำหนักปากก็บอกมาห้าวๆว่าผู้กองหลบหัวลงหน่อย ระพินแนบศีรษะลงกับรากไม้ที่เกาะ อ, อยู่ในทันทีนั้นเชิฐากับชัยยันตะแคงหน้าลงไปชำเรืองดูก็เห็นแง่ท า, ายเงื้อมีดที่ถืออยู่ในมือสุดแขนและเหวี่ยงหือขึ้นไปในพริบตานั้นเสียงมีดสั้นตัดอากาศผ่านศีรษะของทุกคนไปแล้วก็มีเสียงดังขวับทั้งหมดพงกหัวเงยขึ้นแล้วจ้องตะลึงยกเว้นระพินเพียงคนเดียวที่อยู่ในอาการเฉยเฉยเป็นปกติ มีดของลพินขณะ น, นี้เลยขึ้นไปปักอยู่กับโคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแต่เจ้างูรามตัวนั้นหัวหลุดกระเด็นหายไปทางไหนเสียแล้วคงมีแต่ลําตัวที่รัดพันอยู่กับกิ่งไม้บิดทุรนทุรายเป็นเกลียวและเลือดแดงฉานที่ไหลปรีเป็นสายออกมาจากรอยที่ถูกตัดต่ํากว่าบริเวณคอลงมาเล็กน้อยพรานใหญ่ใต่นําทางขึ้นไปในทันทีนั้นเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้น เขาเลี่ยงผ่านซากงูหลามที่ยังคงรัดติดค้างอยู่กับกิ่งไม้และมีเลือดหยดอยู่โดยพยายามไม่ให้เลือดหยดลงมาถูกเสื้อพอถึงโคนต้นไม้ที่มีดปักอยู่ก็กระชากขึ้นมาใส่ฝักไว้ตามเดิมคนอื่นๆก็เริ่มเคลื่อนที่ตามต่อไปคุณรู้ได้ยังไงว่าแง่ท า, ายมีฝีมือในการคว้างมีดได้เยี่ยมยอดถึงขนาดนี้เชษฐากับชัยยันรอบกับซิบถามอย่างไม่วายงุนงงตื่นเต้น ทหารโจรกระเหลี่ยงต้องขว้างมีดได้ดีทุกคนครับเป็นคำตอบเรียบๆที่ระ ง, งับข้อกังขาและความตื่นเต้นของทั้งสองลงเพียงแค่นั้นพอลงจากเนินหรือเขาเตี้ยๆรูปนั้นก็ลงไปสู่แอ่งลึกตอนหนึ่งเป็นบริเวณอับทึบชุ่มชื้นเป็นหนองน้ำสีดำคล้ำอยู่หนองหนึ่งไม่ใหญ่โตอะไรนักรอยสั์ใหญ่ทุกชนิดน้ำแต่ช้างลงมาย่าไวเป็นเทือก ดวงตะวันสองลอดใบไม้ลงมาไดเพียงรางๆเท่านั้นห้างได้ถูกขัดไว้บนกิ่งไม้เหนือชะง่อนหินที่ล้ําออกไปอยู่กลางหนองนั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดูน่าก ล, กลัวกว่าห้างดิดาลินขึ้นนั่งมากนักเพราะอยู่ในหุบกลางดงทึบซึ่งระินก็เลือกไว้เหมาะสมแล้วในการที่จะกำหนดให้เชษฐาเป็นคนนั่งเพราะห้างนี้ไม่เหมาะสาหรับผู้หญิงอย่างหม่อมราชวงศ์ดารินแน่ๆ เชษฐาและชัยยันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นก็ไม่แน่นักว่าอะไรที่มันน่าดูกว่า ก, ากลางจะผ่านไม่เห็นหรือเปล่าชัยยันคลางออกมาขณะที่ก้มลงสํารวจรอยที่ย่ําอยู่เปลอะเดานั้นเชษฐามองดูห่างนั้นอย่างพอใจถ้ารู้แน่นอนว่าคุณจะแวะกลับมารับอย่างนี้แล้วก็ผมขึ้นนั่งคนเดียวก็ได้เขาหันมาบอกกับจอมพราน ขณะที่เตรียมตัวจะขึ้นห้างภายหลังจากดื่มน้ำในกติแต่รพินยิ้มสั่นศีสะเราเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนดีกว่าครับคุณชายพรานที่ผมจะให้ขึ้นนั่งคู่กับคุณชายโดยแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีความหมายว่าจะให้คอยคุ้มกันอะไรคุณชายหรอกเพราะผมก็เชื่อในฝีมือของคุณชายอยู่เต็มเปี่ยมแต่ที่ให้อยู่ด้วยก็เพื่อเป็นหลักประกันไว้วางใจว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้น พรานของผมก็ยังนำคุณชายกับแคมป์เราได้ถูกเอาเขาไว้สำหรับเป็นผู้นำทางในกรณีพิเศษที่มันอาจเกิดขึ้นโดยเราคาดไม่ถึงมาก่อนเถอะครับผมเองก็จะได้อุ่นใจไปด้วยเชษฐาเห็นจริงด้วยในเหตุผลของเขาเห็นห้างที่คุณขัดเอาไว้ให้นี่ทำให้ผมรู้สึกว่าจุด 3, 0, 0 6ที่ถือมามันชัดจะเล็กไปเสียหน่อยแล้วกำมัง จันที่ผมให้นั่งเป็นเพื่อนคุณชายถือจุด375หครับเขายังชั่วหน่อยว่าแต่ขอความเห็นนิดถ้าบังเอิญช้างมันเข้าก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณชายเถอะครับแต่สำหรับผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ช้างงาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียดีกว่ายกเว้นแต่มันเกิดจะนึกอยากหรือห้างของคุณชายขึ้นมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเชษฐาปีนขึ้นห้างพร้อมกับจันและปีนยืนดู ดูอยู่จนเรียบร้อยดีแล้วก็ยกมือขึ้นแตะปีกหมวกขอให้โชคดีครับคุณชายขอบคุณมากผมเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะระพินก็นำพวกที่เหลืออยู่ออกเดินทางต่อไปคราวนี้ก็คงเหลือชัยยานงแงซายลูกหาอีกสองคนรวมเป็นห้าคนเขาเดินข้ามหน้องตัดไปยังอีกฟากหนึ่งและอาศัยด่านช้าง เดินไปโดยไม่จำเป็นต้องบุกพงเหมือนตอนที่ตัดทางก่อนจะถึงห้างของเชิฐถาในครั้งนี้ชัยยันเดินเคียงคู่มากับเขาอย่างใกล้ชิดปลดปืนจากการสะพายลงมาถือไว้อย่างเตรียมพร้อมเพราะภูมิประเทศอันไม่น่าไว้วางใจที่เห็นอยู่รอบด้านพวกลูกหาบสองคนเดินอยู่ตรงกลางไม่มีปืนมีแต่มีดปะดแดขัดหลังคนละเล่มแง่ท า, ายเป็นคนรังท้ายตามเคยพอออกเดินมาได้เพียงไม่กี่นาที ก็ผ่านฝูงลิงนับร้อยทำเสียงยว่บยาบโคมคามอยู่บนยอดไม้เหนือศีษะมันไม่กลัวมนุษย์เหมือนฝูงข้างแต่เพียงตื่นเต้นสงสัยและอยากรู้อยากเห็นบ้างตามสัญดาณเมื่อแล้วยังครับคุณชายยันจอมพรานหันมาถามยิ้มยิ้มเอาหน้าถึงไหนถึงกันว่าแต่หย่อนฝีเท้ารอรอผมมั่งเท่านั้นตัดตรงนี้อีกเดียวยวก็จะออกทุ่งผีหลอก ด้านหลังเขาล้นแล้วครับเขาบอกและชี้ให้ดูรอยกรีบวัวที่เริ่มจะมองเห็นประปรายและกองมูลที่ถ่ายไว้สดๆไม่ทันจะข้ามวันมานี่เองเดี๋ยวเดียวของระพินก็คือระยะทางที่ชายยานแอบบ่นกับตนเองว่าเดินเสียสบ้าแทบหลุดพวกลูกหาได้แงซายจะรู้สึกอย่างไรเขาไม่รู้แต่ก็เห็นแต่ละคนเดินตัวปลิวอยู่เหมือนเดิมอย่างคนที่เคยชินมาก่อนผ่านมาถึงอีกห้างหนึ่ง เป็นห้างดินโป่งและพิมชี้ให้ดูบอกว่านั่นเป็นห้างที่เขาเตรียมไว้สำหรับชายยันในกรณีที่ถ้าไม่ไปตามรอยวัวถ้าไม่มีใครขึ้นนั่งก็ต้องทิ้งว่างไว้เฉยแต่น่าเสีย ด, ดายดึกเกินครับคุณชายยันห้างนี้ผมว่าเหมาะกว่าทุกห้างถ้าขึ้นนั่งไม่มีวันผิดหวังแน่ไม่อะไรก็อะไรสักอย่างแน่ๆตอนตะวันจวนขํา ผมฟิตที่จะเดินแกะรอยกับคุณมากกว่าชัยยันสันสีษะยืนยันเจตนาเดิมแล้วพินหันมาทางแง่ทรายว่าไงแง่ทรายแกจะลองนั่งห้างนี้ดูไหมล่ะสุดแล้วแต่ผู้กองครับชัยยันก็สะกิดแขนแง่ทรายขยันขยอยมาว่าอย่าไปห่วงห้างอยู่เลยนะ้าเดินยิงกันดีกว่าถึงจะไม่ได้อะไรเลยก็ช่างมันเรื่องนั่งห้างนั่งเมื่อไหร่ก็ได้ เป็นอันว่าทั้งหมดผ่านห้างนั้นมาระหว่างที่เดินเรียงสองกันอยู่ในห้วยแห้งเสียงโครมคลามชนิดหนึ่งก็ดังออกมาจากป่าริมทางเป็นเสียงสัตว์เขืองที่ตื่นวิ่งป่าราบไปในระยะกระชั้นชิดชา ย, ยันกวาดปืนตามทั้งทา ง, งที่ยังเห็นเป้าไม่ถนัดแต่ระพินใช้แขนเสยปากกระบอกปืนของชา ย, ยันให้เงยสูงขึ้นเสียเป็นความหมายห้ามสมเสร็จนะครับ แล้วเขาก็ถือโอกาสในระหว่างที่เดินไปด้วยกันอธิบายให้ชายยันฟังเบาๆถึงวิธีเดินยิงสัตว์ระหว่างที่เราเดินไปตามด่านถ้ามีสัตว์เล็กวิ่งตื่นกระเจิงตัดทางผ่านหน้ามาให้เห็นถ้ายิงทันก็ยิงแต่ถ้ายิงไม่ทันอย่าเพิ่งพวงในการที่จะตามรอยไปควรจะหาที่หลบและคอยดูให้รอบคอบเสียก่อนทำไมหรือคุณลพินส่วนมาก สัตว์ที่วิ่งตื่นกระเจิงตัดหน้าเราไปมักจะหนีภัยจากการติดตามของสัตว์ใหญ่อันตรายมาอาจเป็นเสือจงอางฝูงหมาป่าถ้าเราไม่ระวังพวดผ้าดไปขวางทางเข้าเราก็อาจเจอกับมันเข้าโดยไม่ทันรู้ตัวและแก้ไขไม่ทันก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นสัตว์เล็กวิ่งตัดหน้าต้องคอยระวังให้ดีถึงแม้เราจะยิงตัวแรกที่ผ่านหน้าไปไม่ทันไอตัวที่กวดตามมาข้างหลังอาจโผล่ออกมาเป็นเป้าให้เราก็ได้ ถ้าเราไหวทันสิก่อนจากดงทึบเริ่มจะโปร่งขึ้นเป็นลำดับและระดับการเดินก็ดูเหมือนจะราดเทลงสู่พื้นราบที่ต่ำมองเห็นเอื้องพึ่งเหลืองอารามอยู่ตามคาคบไม้ใหญ่รอบด้านสับปืไปหมดบรรยากาศร่มดื้นชุ่มฉ่ำเพราะใกล้ฐานน้ำซึ่งรพินบอกให้ทราบว่าเป็นฐานสายเดียวกับที่ไหลผ่านแคมป์แต่อยู่เหนือขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนนั้นเอง ชายยันผู้มัวแต่เดินดูพวกเอื้องและเฟินอันเขียวเชออุ่มอยู่บนคบไม้เพลินอยู่ก็ได้ยินเสียงลูกเลื่อนของไหลเฟินจากมือของรถพินขยับดังกริ๊กเขาก็หันมาบัดนั้นและก็เดินชนปะทะหลังระพินเต็มแรงพระจอมผ่านหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่เสียงลูกห่าอีกสองคนที่เดินอยู่ข้างหลังคลางกันออกมาอย่างสนกฮื้อหมีเบื้องหน้าบนกลุ่มโขดินใหญ่ติดกับดงหลุมพี ก้อนดำทมึนหลายก้อนชุมนุมกันอยู่ที่นั่นตัวหนึ่งต่ายลงมาจากโขดหินและยืนสองขาหันมาพอดีทางสีขาวเป็นรูปตัววีมองเห็นชัดอยู่กลางอกนั่นคือหมีควายฝูงบเลรอทีเดียวและพวกมันทั้งหมดก็สำเนีกในกลิ่นไอของมนุษย์ได้ทันๆกันกับที่มนุษย์กลุ่มนี้เหลือไปเห็นมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตัวจ่าฝูงใหญ่ที่สุดซึ่งเกาะก้อนหินยืนสองขาอยู่ในขณะนี้ ส่วนสูงของมันถ้าไม่ถึงหกฟุตก็เฉียดเฉียดไประยะมันห่างออกไปเพียงไม่เกินหกสิเมตรเป็นอย่างมากโดยไม่ต้องเตือนเลยเจ้าลูกหาบสองคนเพ่นหวือ ป, ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เร็วอย่างกะลิงด้วยสัญชาตญาณหลบภัยเอาตัวรอดซึ่งมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะทั้งสองไม่มีอะไรเลยนอกจากมีดปปแดคนละเล่มแต่ก็โง่พอกันเพราะคิดจะหนีหมีขึ้นต้นไม้หลบก่อนครับคุณชา ย, ยัน จอมพรานกระซิบเร็วปือในขณะที่ตนเองปากหลักนิ่งอยู่กับที่ใครคนหนึ่งก็กระชากแขนชา ย, ยันทางเบื้องหลังเสฟเข้าไปอยู่หลังหินก้อนใหญ่คนคนนั้นคือแง่ทรายชา ย, ยันปลดเซฟจุดในขณะที่แง่ทรายก็สดัดคานเหวี่ยงส่งจุด4440ขึ้นลำกล้องซัดเลยหรื อ, อยังไงชา ย, ยันกระซิบร้อนลนประทับปืนขึ้นแต่แง่ทรายแตะไหลไว เดี๋ยวครับเจ้านายอย่าเพิ่งดูผู้กองก่อนหมีควายร้ายมากร้ายกว่าเสือสิอีกถ้าเรายังถ้าเรายิงมันล้มตัวเดียวมันจะแห่เข้ามาทั้งฝูงรพินก้มลงหยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมาคว้างโด่งไปยังหมีควายฝูงนั้นพร้อมกับตบขากระเกงเสียงดังตะโกนตะเพิดเจ้าจ่าฝูงเอียงคอเงยหน้าขึ้นสูงเหมือนจะสูดกลิ่นแล้วแยกเคี้ยวขาวส่งเสียงกำรามตอบมาอย่างดุร้าย ลดตัวลงมายืนสี่ขาเจ้าตัวอื่นๆก็พากันแยกเขี้ยวสรอนเดินจับฝูงงุนงานไปมาทั้งหมดเห็นจะไม่ต่ำกว่าหกตัวไม่มีท่าว่าจะหลีกหลบเลี่ยงไปเขาส่งเสียงตะโกนไล่อีกครั้ง